พระบัญญัติ167ก็ภิกษุใดจงใจพระากายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสัตราอันจะพระากายมนุษย์นั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาดไม่ได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องหมู่ภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐานกับตาเทน มิคาลันทิกะ